เคยฝึกมาจากไหนเคยฝึกกรรมฐานไหมสนามหนครับสนามในหลวงพ่อเทียนกรดีนะคุณสายจ้าหลวงพ่อเทียนสอนให้รู้สึกตัวในคนที่จะรู้สึกตัวได้ต้องไม่ทําผิดสองอันหนึเผลอไหรู้จักเผลอไหมลกกลไหมลวงพ่อเทียนสอนเหนงลงไปอยู่ในความคิดนะหลงไปคิดวันๆเราลงคิดทั้งวัน อีกการหนึ่งก็คือไปเพ่งน้อยถ้าเราเผลอไปเราก็ลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจเราไปเพ่งไว้นะกายกับใจมันก็นิ่งๆผิดความจริงมันสแสดงไตรลักษณ์ให้ดูไม่ได้งั้นอย่างหลวงพ่อเทียนท่านสอนให้ขยับเพื่อให้ตื่นไม่ได้ให้เพ่งนะเรีนให้ดีทีหลวงพอ่อเจอเพื่อนนักปฏิบัติทุกสำนักอนะส่วนใหญ่ก็เพ่งเอา ดูท้องก็เพ่งท้องดูเท้าเพ่งเท้าดูอิริยาบถเพ่งอิริยาบถรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจขยับก็เพ่งมือถ้าไม่เพ่งเอาไว้ก็ใจลอยไปที่อื่นเลยหนีไปคิดเมื่อก่อนหลวงพ่อเจียนหลวงพ่อเขาคิดว่าหลวงพ่อเจียนี่สอนกายานุปัสสนาเห็นให้รู้ฟิธรรมไปดูหนังสือท่านาไม่ใช่ท่านสอนจิตตานุปัสสนา สำคัญมากเลยท่านสอนถึงขนาดบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยเนี่ยคือต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตไปคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะคนละอันกันบางคนเ น, นมาบอกว่าหลวงพ่อเทียนสอนให้ให้รู้ว่าคิดเรื่องอะไรใช้ไม่ไดนะ้เรื่องราวที่คิดเป็นสมมุติบัญญัติทั้งหมดเลยแต่อาการที่จิตคิดในการรู้ท่านจิตเป็นการรู้อารมณ์ปรมรวจิต เมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยท่านบอกตรงนี้เป็นต้นทา ง, งการปฏิบัติก็ถูกท่านนะตรงกรอัอภิธรรมเหมือนกันเมื่อไหร่สามารถรู้สึกตัวขึ้นมาได้รู้กายรู้ใจได้ถ้าเผลอไปคิดอจะรู้แต่สมมุติบัญญัติรู้กายรู้ใจไม่ได้หลวงพ่อเทียนก็สอนต่อไปอีกเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาให้ดูจิตเรองไปเลยท่านบอกการดูจิตนะเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุด หลวพ่เทียนสัน่เพราะว่าทุกอย่างมันออกไปจากจิตนี่ร่างกายจะเคลื่อนไหวก็เพราะจิตสั่งพฤติกรรมทางกายทางวาจาทั้งหมดจิตมันสั่งเรารู้ต้นทางของมันได้จิตมันสั่งสองคนน่ะหนีไปคิดแล้วรู้ไหมเป็นเกณฑ์ไหมฟังหลวงพ่อพูดนะฟังไปคิดไปรู้สึกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวหรอกนี่พวกเราไม่เคยเห็น เราก็คิดว่าเราฟังอย่างเดียวถ้ารู้ทันนะจิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าคิดเราจะตื่นขึ้นมาฉับพ้อนเพราะเราจะรู้สภาวะจะรู้ตัวจิตเนี่ยสองคนหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม <c oughs> เวลาเราไปคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมกายลืมใจของเราเองนใช้ไม่ได้นะหลวงพ่เทียนไม่ได้สอนมั <c oughs> นชื่ออะไร น, นะลืมแนละ้ว <c oughs> ชื่อนะ เป็นไงตื่นยังมากันกีกคนอันนี้ทีมหราอาทีมเดินทำทีมใหญ่ดีเนาะเป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างซึม ร, รู้ว่าซึมก็ดี ล, ละนะเราปฏิบัตินยไม่ได้เอาดีเราปฏิบัติเอาความจริงอย่างจิตใจเนี่ย เดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ฟองไสเดี๋ยวสติก็เกิดบางช่วงสติไม่ยอมเกิดบางทีก็โมหะเข้ามาซึมซึมทีก็ฟุ้งซ่านไปเงั้นเราไม่ได้ปฏิบัติที่จะเอาดีหรอกเราปฏิบัติเอาความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้ฝึกจนใจมันยอมรับความจริงนะ ย่ารับความจริงอย่าเห็นในะจิตนี้ไม่ใช่เรากายนี้จิตนี้ไม่ใช่ตัวเราคนที่เห็นอย่างนี้สักยะทิฏฐิขาดสักยะทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเร า, างั้เรารู้กายเรารู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงว่าเขาไม่เที่ยงนะเขาเป็นทุกข์เราบังคับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอสภาวะนะเช่นกิเลสเกิดขึ้นอย่าไปเกลียดนั้นนะ ให้รู้มันครูย่าถึงสอนว่าทุกข์ให้รู้อะไรบ้างเป็นทุกข์ก็ขันห้าเป็นทุกข์กิเลสก็อยู่ในขันห้าให้รู้มันอย่าไปเกลียดมันแล้วกิเลสที่จะสอนธรรมะให้เราดูเนะท่าๆ ท, ท, ที่ครูสสอนเราเหมือนกันคือครูสอนเกิดขึ้นมาเราก็ดับไปนะกิเลสเกิดขึ้นมาได้ก็ดับไปได้ในที่สุดเราจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับนะทั้งตัวทั้งดี ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งยากทั้งละเอียดทั้งภายในภายนอกนะมันไปเกิดเราก็ดับหมดนะมันไม่ต้องตกใจนะ <c oughs> บางคนฝึกไปแล้วสติว่องไวช่วงหนึ่งมันเสื่อมลงมันของเสื่อมมันเป็นโลกี้ยะมันของเสื่อมงั้นพอมันเสื่อมแล้วเราตกใจเราไม่ยอมรับความเสื่อมเราจะเอาแต่ความเจริญไหมจะเอาข้างหนึ่งเจะเกลียดข้างหนึ่ง ใจจะยิ่งเกิดการดิ้นรนหาทางทำให้เจริญอีกเมื่อใจเกิดการดิ้นรนคือการสร้างภพทางใจนั่นเองความทุกข์ก็เกิดขึ้นมามันไม่เจริญหรอกเพราะว่าขณะนั้นตันหาครอบงาอยากเจริญขณะนั้นจิตเป็นอกุศลไม่เจริญแต่ถ้าเมื่อไรเราเห็นความเสื่อมเกิดขึ้นนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะรู้ไปเขาสอนธรรมะเรา อากูสนเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเท่าเท่ากับกูศนนะงั้นถ้าเราจิตมันเสื่อมลงไปนะรู้มันอย่างสบายใจแก่เสื่อมก็เสื่อมไปฉันจะรู้อย่างเดียวไม่ไปแก้ไขนะแก้ไขมันจะดีฉับพลันเล่ยมันจะเจริญฉับพลันเนยอย่างที่หลวงพ่อ บ, บอกว่าสุขทุกข์ดีชั่วสเสมอกันนะไม่ได้บอกให้เราทําชั่วหรอกถ้าเรามีสติเห็นความชั่วเกิดขึ้นในจิต ควาชั่วครอบงำจิตไม่ได้มันเป็นกุศลในตัวของมันเองอยู่แล้วให้กุศลชนิดนี้ไม่ต้องแกล้งทํานี่ไปคิดทราบไหมฟังไปคิดไปดูออกเปล่าเนียในตลาดชีวิตเรานะจิตของเราเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดูเดีว๋วิ่งไปคิดเราไม่เคยเห็นเลยเราไม่เคยเห็นอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเองเราเห็นคนอื่นตลอดนะอย่าง ไม่เฉพาะจิต น, นะกระทั่งกายเราเรา ย, ยังไม่ค่อยรู้เลยเวลาทานอาหารเนะี่กลืนอาหารเนะี่ยหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้ไหมกินข้าวครั้งแรกเมื่อไหร่ <c oughs> เราไม่รู้นะเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเองเยอะเลย <c oughs> เวลาเราเคี้ยวอาหารนะเราใช้ขาข้างใดข้ไหนเคลื่อนไหวดูออกไหมว <c oughs> นเรื่องของเราเราไม่รู้เยอะนะ นี่แค่เรื่องทางกายหยับหยัเราไม่เคยเห็นเพราะเราไม่เคยมีสติรู้กายทางจิตใจยังมองไม่เห็นใหจิตใจแอบไปเกิดทางตาแล้วก็ดับเกิดทางหูแล้วดับเกิดทางใจแล้วดับเราก็ไม่เคยเห็นเกิดทางใจแล้วรู้สึกไหมหนี้ไปคิดนี้ไปทํางานทางใจไปรู้ธรรมารมเราไม่เคยเห็นเนื่องเราไม่เคยเห็นรูปนามจริงๆอะ่ะงั้นไม่ว่าเราจะปฏิบัติ ภาคเพียนขนาดไหนนะบนรรลุมรรคผลอะไรไม่ได้เราไม่เคยเห็นรูปนามหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมต้องรู้ทันนะถ้ารู้ทันก็จะเห็นเลยเขาแปรปรวนตลอดเวลาเลยจิตเนี่ยถ้าเรามีสติรู้จิตอยู่นะจะเห็นอนิจจังชัดจิตจะแสดงอนิจจังชัดเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเราว่เร็วมากเลยหนีไปคิดแวบดูออกไหมหนีแวบไป ห้ามไม่ได้ไม่ได้เรียนเพื่อจะห้ามไม่ได้เรียนเพื่อจะบังคับไม่ให้หนีแต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าเขาเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเกิดทางตาแล้วดับเกิดทางหูแล้วดับเกิดทางใจแล้วดับนะเกิดดับตลอดก็จะเห็นต่อไปอีกเราบังคับเขาไม่ได้เห็นอนัตตาเขาจะเกิดทางตาหรือเขาจะเกิดทางหูหรือเขาจะเกิดทางใจเราสั่งไม่ได้แังเก็บไว้นั่งฟังอตมาพูดเนี่ยเดี๋ยวก็ดูหนะ้าตมาเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิด ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วคิดเราไม่ได้เลือกรู้สึกไหมเลือกไม่ได้ด้วยซ้ําไปนะี่เขาแสดงอนัตตาให้เราดูไม่งั้นถ้าเราคอรู้กายกายก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูไตรลักษณ์ที่กายแสดงได้เก่งเห็นความทุกข์นั่งสบายๆเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วนะความทุกข์บิบคั้นถ้าคนไหนรู้อิริยาบทสี่พวกเรื่องธรรมจานนัตตาสอนรู้อิริยาบทรู้ไปเพื่ออะไรรู้ไปเพื่อให้เห็นความจริง กายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถไม่ใช่ตัวดีนคนไหนรู้ลมหายใจเข dropped, ้าออกก็มีป mm ัญญาขึ Support, y, ้นมากายนี้มีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกละเอียดยิ่งกว่ารู้อิริยาบถอีกหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์หายใจออกเพื่อแก้ทุกข์เหมือนกับเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์นั่นเองไม่หายใจก็ทุกข์นะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์ ก็อย่างคนไหนมีสติรู้กายรู้การหายใจนะถ้ารู้เป็นจะเห็นมันทุกข์กายนี้เป็นตัวทุกข์รู้อิริยาบถสี่ถ้ารู้เป็นจะเห็นในกายนี้เป็นตัวทุกข์แต่ถ้าทําสัมปชัญญะบัพเพาเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเนี่ยมันไม่ค่อยทุกข์ให้เห็นหรอกจะเห็นอนัตตาง่ายตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปมันเคลื่อนไหว หรือถ้าคนไหนรู้ธาตุก็จะเห็นอนัตตาง่ายยังกรรมฐานแต่ละอย่างนะให้ผลแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยบางงานจะเด่นด้านอนิจจังบางงานเด่นทุกขังบางงานเด่นอนัตตาเนี่ยอย่างเราดูจิตจิตจะเด่นในด้านอนิจจังจิตเราเกิดดับเร็วจะมาดูอนิจจังของรูปดูยากเพราะรูปมันอายุยืนกี่ขณะเรียนไหมชาวเรียนธรรมจันตตาสอนว่ารูป รูปมันายุยืนสิบเจ็ดขณะเจ็ดขณะจิตงั้นดูรูปไม่เห็นอันนี้จังช้านะถ้าดูจิตใจนี่อันนี้จังเร็วมากเลยกระทั่งสตินะสติเกิดไนดะ้เกิดได้ทีลักษณะจิตเองเกิดแล้วก็ดับพร้อมกับจิตเกิดแล้วก็ดับพร้อมกับจิตรักษาไว้ไม่ได้หรอกงั้นใครคิดจะทำสติให้เกิดต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนะ่ะเข้าใจผิดแล้วสติก็เป็นของเกิดดับ นะเหมือนกับจิตเกิดดับร่วมกับจิตนะั่นเงี่เรียนเพื่อให้เข้าใจความจริงนะให้เห็นว่าเออเขาไม่เที่ยงจริงๆนะจิตใจนยะ<ม>เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะไม่เที่ยงหาคนใจง่ายสักคนหนึ่งไม่ต้องหาที่อื่นเลยนะหาที่นี่เปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันนี่ดูจิตจะเห็นอีกานหนึ่งเห็นอนัตตาก็ได้นะ จิตเป็นของบังคับไม่ได้จะเป็นกุศลหรืออกุศลก็เลือกไม่ได้มันจะสุขหรือจะทุกข์ก็เลือกไม่ได้นะสติจะเกิดหรือไม่เกิดก็เลือกไม่ได้มันจะไปเกิดทางตาหรือเกิดทางหูเกิดทางปัญจทวารเลือกทวารใดทางหนึ่งก็ไม่ได้มันจะมาเกิดทางมโนทวารสั่งให้มันเกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะให้เป็นกุศลอย่างเดียวก็ไม่ได้ ถ้าเฝ้ารู้ลงไปนะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจกายกับใจนี่สอนธรรมะของจริงให้เราได้ครูบาอาจารย์สอนเราไม่ได้นะธรรมะกายกับใจของเรานั่นแหละคือครูที่แท้จริงที่จะสอนกรรมฐานให้เราเพราะนต้องรู้สึกกายรู้สึกใจนะนั่นคุณผู้หญิงที่ไปยักหน้าเนี้ยเนนี้ยลืมกายลืมใจลืมกายลืมใจตนเองเออเนี่ยกำลังคิดตามเห็นไหม ขณะที่คิดเนี่ยรู้เรื่องที่คิดใช่ไหมลืมกายลืมใจนึกออกไหมนี่เรื่องหลงคิดนะถามว่าเราคิดยังไงไม่ให้หลงคิดไม่ได้หรอกธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนี่มีหน้าที่คิดก็คิดไปแต่ว่าถ้าจะเจริญสติเนี่ยพอจิตนี้ไปคิดปุ๊บรู้ทันความคิดจะดับทันทีเลยเราจะอยู่กับการรู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจนั่นเองเพราะมไม่ได้ไปรู้บัญญัติสละก็ต้องมารู้กายรู้ใจ อารมณ์มันก็มีอยู่แค่นี้ที่เราจะรู้ได้ถ้าไม่รู้รูปรู้นามก็ไปรู้สมมติบัญญัติาอารมณ์อีกชนิดหนึ่งเรารู้ไม่ได้คือนิพพานหนีไปอยู่บัญญัติอีกแล้วรู้ไหมหนีไปกับอยู่กับบัญญัติมนีวิคิดเนี่ยไปคิดอีกแล้วทราบไหมหัดดูเองอเห็นสภาวะที่จิตไหลไปคิด เห็นสภาวะนี้ปั๊บเราจะหลูดออกไปจากโลกของความคิดมันจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะชั่วขณะไม่ทรงอยู่นานเกิดขึ้นก็ชั่วขณะเพิ่มขึ้นด้วยคณิกะสมาธิ่านี้อย่าดูถูกชั่วขณะนะเวลาอริยมรรคเกิดเกิดขณะเดียวขณะเดียวนั่นแหละปัจจุบันหนีไปคิดอีกละหนีแวบคิดเพลินละลืมกายลืมใจตนเองแล้วนะยังไม่เลิกลืมยังคิดไม่เลิก อย่างอะไรเอาวันเกี่ยวกับการคิดใช <ST>. ่ใช่ไม่คิ ด, คดเรียน ส, สิ่งที่อาตมาพูดนะไม่ได้พูดเพื่อให้ฟังรู้เรื่องหรอกนะพูดไปเรื่อยๆชวนพวกเราฟังไปนะแล้วเพื่อจะให้เราหัดสังเกตสภาวะนะส่วนฟังให้รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวเอาหนังสือไปอ่านเอาเองนะหรือไปเรียนจากอาจารย์อนัตตาอะไรก็ได้นะนะไมันลืมตัวลืมตัว เห็ไหมว่าพอรู้บัญญัติก็ไม่รู้ปรมัดจิตตกจากอารมณ์ปรมัดก็คือจิตที่ไม่มีสัมมาสมาธินั่นเองไม่มีความตั้งมั่นเมื่อไม่มีสัมมาสมาธิปัญญาไม่เกิดเพราะปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้จิตต้องรู้สึกตัวต้องตั้งมั่นพะเราจิตมันอยู่กับเนื้อกักบตัวนะมันจะเห็นความจริงของกายของใจกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีนะจะเห็นทันทีว่ากายไม่ใช่เราแต่ยังเห็นทันทีไม่ได้ว่าจิตไม่ใช่เรา กายนี้ดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราแต่ถามว่าจะดูแต่ ก, กายได้ไหมไม่ได้นะไม่ว่าจะทํากรรมฐานอันใดเนี่ยต้องแยกรูปแยกนามทั้งสิ้นเลยจุดสตาร์ทของปัญญาเนี่ยนามรูปปริเฉตญาณ น, นั่นเราจะรู้กายรู้อิริยาบทสี่เห็นด้วยอิริยาบทสี่รูปเนี้ยเป็นของที่ใจไปรู้เข้าใจอยู่ต่าหากใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู แต่นีจใจทใใจําไมใจจะเป็นผู้รู้ผู้ดูรูปได้ใจต้องมีกําลังของสมถะหนุนหลังอยู่เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนอธิธรรมหนึ่งสอนว่ากายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถยานิกถ้าเราไม่มีกําลังของสมถะใจไม่ตั้งมั่นพอพอไปดูรูปนี่นะจิตจะไหลเข้าไปอยู่ที่รูปมันจะกลายเป็นการเพ่งรูปเพราะฉะนั้นเกือบร้อยละร้อยที่ดูรูปก็คือนักเพ่งรูปรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจ รู้อิริยาบถก็เพ่งอิริยาบถนะสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือสมถะบางคนเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าดูไปเรื่อยจิตไหลไปอยู่กับเท้านะเดินไปแล้วตัวเบาตัวลอยที่ตัวโครงตัวเล็กตัวใหญ่นะนี่อาการของสมถะทั้งหมดเลยลอยนะล้คิดเฟื่อดีไหมเดีย๋ยรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้เข้าใจยัง ที่หลกงพ่อเตียนสอนให้รู้สึกตัวให้รู้สึกอย่างนี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยฝันทั้งคู่อีกละฝันทั้งคู่เลยยังไม่เลิกฝันรู้ไหมยังคิดไม่เลิกยังอร่อยอยู่กับการคิด mm hmm. อันนี้ยรู้สึกไวอา้าวว่างไง mm hmm. ออ คือตรงนี้ไงตรงเนี้ยนะเราไปแปลปฏิสัมพิธามรักมีอยู่อันหนึ่งเราไปแปลปฏิสัมพิธามรักที่บอกว่าสติปัฏฐานเนี่ยคือการที่สติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์สังเกตไหมการเข้าไปตั้งไว้อารมณ์เนี่ยสติเกิดขึ้นครั้งลักษณะนะเกิดดับพร้อมกับจิตงั้นมันแค่ระรึกเท่านั้นเองมันไปตั้งแช่อยู่ไม่ได้นี่พวกเรากลับชอบไปตั้งแช่ไว้ ถามว่าอะไรทำให้เข้าไปตั้งแช่โลภะนะอยากปฏิบัติใช่ไหมจงใจเอาสติเข้าไปแช่ไว้คำว่าสติเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์นะไม่ใช่เข้าไปแช่ไว้สตินะมีหน้าที่ะระลึกหมายถึงไม่เลื่อนลอยสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะสติไม่เลื่อนลอยไปจากอารมณ์ที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเรียกว่าตั้งแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่กลับมาดูที่จิตนะคืออย่างนี้คุณต้องอย่างนี้ถ้าสติหรือจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ทันว่าไหลไปอยู่ที่เท้าแล้วแค่นี้พอละนะเพราะว่าการดูจิตเนี่ยจะตามรู้เอานะเมื่อกี้จิตดวงตะกี้ไหลไปอยู่ที่เท้าจิตดวงใหม่เนี่ยรู้ว่าจิตตะกี้ไหลอ ย, อยู่ที่เท้าถูกต้องเรียบร้อยล้วแค่นั้นพอนะหลังจากนั้นน่ะมันจะเกิดหลงครั้งใหม่ หลงครั้งใหม่เช่นพอมันไหลสูงก็ไหลไปอยู่ที่เท้าจิตจะนักกูสนนะหลงรู้ว่าจิตไหลไปที่เท้าเป็นกูศนเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นอกูศลตัวใหม่จะเกิดเช่นโวยวายกับตัวเองคร่ำครวญมาตายเราหลงไปเพ่งเท้าแล้วนี่คร่ำครวญถึงอดีตแลนะพวกหนึ่งห่วงอนาคตเว้ยทาไงจะไม่ไหลไปอีกนี่ก็ฟุ้งซ่านในอนาคตแนะ้ะอีกพวกหนึ่งกลัวมันจะไปเลยเพ่งเอาไว้สุดตรงไปข้างเพ่งนะนั่นก็คือปรุงแต่งขึ้นมาครั้งใหม่ละ เพราะฉะนั้นที่ถูกนะมีขณะแวบเดียวที่รู้นั่นแหละถ้าจากนั้นมันผิดครั้งใหม่ผิดครั้งใหม่รู้ใหม่หมใช่เพราะเราเลือกไม่ได้เรียนแล้วใช่ไหมจ mm hmm. ะเกิดกุศลหรืออกุศลเนี่ยมโนทวารวัชนาะโวทวัววพนาเป็นคนเลือกไม่ใช่เราเลือก เนี่ยเโลภะเกิดก่อนละนะอยากปฏิบัติใช่ไหมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าพอรู้ว่าลงที่เท้าเนี่ยกูสนเกิดเรียบร้อยแล้วรู้ตรงกวาเป็นจริงแล้วนะแต่ปัญญายังไม่แจ้งเท่านึงนะนี่เกิดโลภะอุ้ยไม่ดีอยากกลับมาดูอยากกลับมาดูนะอยากนะเสร็จแล้วกลายเป็นการมาเฝ้าดูไม่ใช่การตามรู้ละกลายเป็นการดักรู้นะอาจารย์แนบทศสอนนะเรื่องดักรู้ก็ไม่ถูกนะ วิปัสสนาเนะยให้รู้สึกเราไม่ใช่ไปดักรู้เอาเนี่ยตอนเนี้ยรูปเคลื่อนไปรู้สึกไหมแต่คิดไป็เลิกนะติดวความจิตเนี่ยรู้สึกไปรู้สึกไหมกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกทันทีได้เลยตรงที่จิตหลุดออกมาไม่ใช่เราแล้วไม่ต้องไปนั่งคิดหรอกนะว่านี่คือรูปนะไม่ใช่เรานะไอ้นั่นฟุ้งซ่านทั้งสิ้นเลยนะจะดูรูปนั่งนะมานั่งคิดไอ้นี่รูปนั่งแล้วไม่ใช่เร า, านั่งนี่ฟุ้งซ่านนะ แต่ถ้าเมื่อไรจิตตื่นขึ้นมาจะเห็นทันทีเลยเอนี่เป็นรูปไม่เรียกว่ารูปนั่งด้วยไม่เรียกว่ารูปด้วยแต่รู้สึกในความเป็นรูปของมันรู้สึกในความไม่ใช่ตัวเราของมันทันทีใส่ชื่อรูปก็ยังบัญญัติอยู่คือรถ อย่าอ ย, า อ, ยาอย่าไปฝึกอย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นแกล้งฝึกเราฝึกไปตามธรรมชาติตามองเห็นรูปความรู้สึกมันเกิดเราก็ค่อยรู้เอานะไม่ใช่พอตาเห็นรูปนี่ไห น, ไหนใจเรารู้สึกยังไงหันมาดูส่วนมากมันจะนิ่งๆมันจะนิ่งไปหมดเพราะว่าพอจิตมันเกิดโลภะมันอยากดูนะสติไม่มีแล้วดูลงไปก็ไม่เจออะไรหรอกนะจิตมันเป็นอกุศลซะตรงที่อยากดู ไม่แช่เลยนะจิตจะจะเห็นเลยเกิดดับเกิดดับนะเพราะของจริงไม่ได้แช่หรอกแช่มีอยนเดียวคือฌานจิตมีมีเจตนาใช่ไหมแล้วก็สติกําหนดอยู่ในอารมณ์ันเดียวต่อเนื่องนะเพราะั้นจิตจะเกิดซ้ําๆจิตที่เกิดซ้ําเยอะๆได้มีแต่ฌานจิตนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราที่บอกเราไปรู้รูปกลายเป็นเราทําสมถะนะนี่เราพูดกันอย่างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงชาวบรรพุปฏิบัตินะ ผู้ปฏบัติเกือบทั้งหมดนะเพ่งทั้งหมดเลยกระทั่งคนที่บอกว่ารู้รูปน้ำกระทั่งคนที่บอกว่ารู้อิริยาบถสี้รูปรูปยืนเดินนั่งนอนเอาเข้าจริงก็เพ่งแทบทั้งนั้นนะแล้วก็ติดสมถะเหมือนกันหมดเลยทั้งทั้งี่เกลียดสมถะนะสังเกตไหมใจนิ่งๆใจทื่อๆยิ่งปฏิบัติยิ่งทื่อฉะนั้นเราไม่ไม่ได้เห็นเข้าตามที่เขาเป็นแต่เราเข้าไปแทรกแซงเขาเริ่มได้ได้อยากดู จงใจไปดูแล้วก็ไปเฝ้าเอาไว้อะะเงี้ยนะแล้วไปตั้งแช่ไว้เราบอกว่าเนี่ยคือเจริญสติปัฏฐานเอาจิตสติไปตั้งแช่ตั้งแช่ไม่ได้นะมันของเกิดดับี่ไปแช่อยู่ได้ไงไไจิตไม่ควรไม่ควรใดๆทั้งสิน้นเขาเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเขาจะแสดงใจรักษ์ให้ดูนะ ถ้ามีคำว่าควรขึ้นมาเราจะน้อมเข้ามาอยู่ที่นี้นะที่จะทําด้วยโลภะละนะเราไม่ต้องการดูไม่ต้องการฝึกให้เขาดีเราต้องการให้เห็นความจริงว่าเขาไม่เที่ยงต้องการให้เห็นความจริงว่าเราบังคับเขาไม่ได้เพราะงั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงเรื่องของเขานะเรามีหน้าที่ตามรู้ไปเรื่อยๆหนี่ไปคิดแล้วทราบไหมแค่เนี้ยรู้สึกไหมตรงที่รู้ทันว่านหนีไปคิดใจมันตื่นขึ้นมารู้สึกไหม ในขณะที่จิตของคุณตื่นเนี่ยคุณจะหลุดออกจากโลกของความคิดทันทีที่คุณหลุดออกจากโลกของความคิดนั้นถ้าสติเนี่ยมันอย่างไปรู้กายมันอย่างเองนะไม่ใช่เราอย่างถ้ามันรู้กายจะเห็นทันทีว่ากายไม่ใช่เราถ้ามันเกิดไป็นอย่างเห็นจิตเข้ามันจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราถ้าเมื่อไหร่คุณเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยนั้นสักกญาติทิฏฐิคุณจะขาดเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเราเหนียวแน่นที่สุดนัคือจิตนะ เคยได้ย well, <No. S 1> ินไหมผู้เจ้าเผยสอนว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าเห็นคนนนตตายคนนี้ตายเห็นแต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราผู้เห็นว่ากายเป็นเรานะยังดีกว่าผู้ที่เห็นว่าจิตเป็นเราเพราะกายเป็นเรานี่ละความเห็นผิดง่ายแต่จะละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรานี่ละยากนะครับ งั้นตัวสักกายทิฏฐิที่เหนียวแน่นที่สุดนะจิตนิ่งนั้นคุณเห็นความเกิดดับเกิดดับของเขาไปวันหนึ่งเห็นว่าเขาไม่ใช่เรานะเขาไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่จิตดวงนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆมันคนเดิมกันเราจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดแต่ร่างกายนี่รู้สึกใช่ไหมว่าร่างกายของเราตอนนี้กับตอนเด็กก็ไม่ใช่คนเดิมเนี่ยกายมันดูได้ง่ายแต่ตัวที่เหนียวแน่นที่สุดน่ะคือจิตนันครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงพ่อเทียนถึงบอกนะดูจิตเนี่รัดที่สุด ถ้าสักกะยที่ที่จะขาดเนี่ยก็คือขาดตรงที่เห็นจิตไม่ใช่เราเนี่ยกายนะมันไม่ใช่เราอยู่แล้วแค่คุณรู้สึกตัวมันก็ไม่ใช่เราแล้วนี่การรู้จิตต้องตามรู้นะไม่ใช่ไปจงใจดักเอาไว้หรือว่าจะเอาไป